สารอุท ธ, ธรเราฟังธรรมในห้องมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำได้พบครูบาอาจารย์เป็นประจำเราเลยมีความประมาทมีความประมาทคิดว่าเดี๋ยววันต่อไปก็ได้ฟังธรรมอีกแล้วพออกจะกห้องไปเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเราก็ฟังธรรมอยู่แต่ในห้องพออกจากห้องไปก็เป็นโลกนี่ทําให้การปฏิบัติล่าช้าและไม่ก้าวหน้า ทที่ควรจะเป็นวิธีการปฏิบัติที่รัดและสั้นที่สุดที่จะทำให้ท่านปฏิบัติได้ก้าวหน้าเร็วที่สุดนั่นคือท่านจะต้องขัดใจตนเองถ้าท่านไม่ขัดใจตนเองท่านไม่ขัดใจตนเองการปฏิบัติจะเห็นผลไม่ได้เลยยากมาก เพราะท่านไม่ขัดใจตนเองมันจะตามใจตนเองไปทุกอย่างอยากจะทำอะไรท่านก็ทำอยากจะกินอะไรท่านก็กินอยากจะดมอะไรก็ดมอยากจะสัมผัสอะไรก็สัมผัสอยากจะฟังอะไรท่านก็ฟังอยากจะมองอยากจะดูอะไรท่านก็ดูอยากจะซื้ออะไรท่านก็ซื้ออยากจะได้อะไรท่านก็เอาอยากจะพูดอะไร ท่านก็พูดอยากจะคิดอะไรท่านก็คิดตามใจอยากอยากจะมีะคิดอะไรมีอารมณ์อะไรไปท่านก็แอบคิดแอบมีอารมณ์ไปโดยไม่ได้หักห้ามใจตนเองไม่ได้มีความอดทนอดก้ั้นข่มใจระงับยับยั้งชังใจการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความอดทนอดก้ั้นข่มใจระงับยับยั้งชั่งใจในทุกเรื่องทุกราว ที่เป็นความอยากที่เกิดขึ้นมาในใจตนเช่นอยากจะดูหนังฟังเพลงเราลองดูที่ว่าขัดใจตนเองลองขัดใจตนเองไม่ดูไม่ฟังเมื่อขัดใจตนเองไม่ดูไม่ฟังแล้วเราก็ดูใจตนเองว่าเมื่อเราไม่ได้ไปดูหนังอย่างที่เราต้องการจะดูไม่ได้ไปฟังเพลงอย่างที่เราต้องการจะฟัง จิตใจมันมีความกระสับกระสายดิ้นรนกระเสือกกระสนมีความคิดปรุงแต่งมีอารมณ์มีความเล่าร้อนใจอย่างไรเราก็ดูจิตใจอยู่อย่างนั้นดูไปด้วยความอดทนอดกั้นขมใจและงับจับยั้งชั่งใจอย่าไปดูหนังฟังเพลงตามใจอยากที่อยากจะดูในขณะปัจจุบันนั้น แต่ที่เราไม่ให้เข้าไปดูหนังฟังเพลงกลับไปถึงเปิดโทรทัศน์ดูทันทีกลับไปถึงเปิดสื่อวิทยุทันทีก็เพื่อให้เห็นใจตนเองที่เล่าล้อนกระสับกระสายดิ้นรนกระเสือกกระสนมีความทุร น, นทุรายมีความคิดนึกติดตองปมแต่งมีอารมณ์ต่างๆในจิตใจที่ไม่ได้ดูหนังในขณะนั้นไม่ได้ฟังเพลงในขณะนั้น จนกระทั่งท่านมีความอดทนอดกัน้นค่มใจระงับยับยั้งชั่งใจยังถึงที่สุดจนกว่าความคิดนตสิตอคงคมแต่งอารมณ์ต่างๆความดิดน้นรนความกระเสกกระสนความอยากความเล่าร้อนภายในใจดับลงไปต่อหน้าต่อตาให้ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำ ในขณะจิตนั้นๆเมื่ออยากจะดูหนังไม่ดูหนังเมื่ออยากจะฟังเพลงไม่ฟังเพลงเมื่ออยากจะกินอะไรในขณะปัจจุบันนั้นๆเพราะว่าสิ่งที่วางอยู่ต่อหน้านั้นมีความชอบมากถูกใจมากอยากจะกินหรือเห็นสิ่งใดอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็ยังไม่ซื้อยังไม่จับจ่ายใช้สอย เพื่อจิตทั้งนี้เพื่อจะดูใจตนเองเพื่อจะให้เห็นความคิดนึกตึกตองปงแต่งเป็ความอยากได้อยากเอาความที่หลนกระเสือกกระสนของจิตใจเพื่อจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพื่อจะดูใจตนเองจึงต้องฝึกหัดขับใจตนเอง แล้วก็มีความอดทนอดกลั้นข่มใจระงับยับยั้งจงใจเห็นจิตใจดูจิตใจมองดูจิตใจของตัวเองว่าเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วเป็นอย่างไรท่านก็จะสามารถเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นความอยากความดิดหลนทยานอยากความประเสือกระสนความเล่าร้อนภายในจิตใจได้อย่างชัดเจนว่าอ๋อจิตใจเป็นอย่างนี้เอง จนกว่าความคิดนึกตึกตองปรงแต่งอารมณ์ต่างๆความทิดลนกระเสือกกระสนความเล่าร้อนความทิดลนทยานอยากนั้นค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วก็ดับหายไปในที่สุดคัานก็จะมีอานาจเหนือความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเหนือกิเลสตัณหาภายในใจได้ แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดูไม่ฟังไม่กินแต่เห็นเพียงแค่ไม่ได้ดูหนังแค่นั้นเองไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้กินเ้อห้ามไว้ไม่ได้กินพ อ, อบอกว่าเมื่ออยากจะพูดอะไรอย่าพูดออกไปทันทีก็พยายามปิดปากไว้พยายามไม่พูด แต่การไม่พูดนั้นการที่ไม่ให้พูดนั้นเพื่อจะเห็นจิตใจที่มีความคิดนึกตึกตองมีความคงแต่งมีความยิ่มล่นลทยานอยากอยากที่จะพูดเพื่อเห็นจิตใจที่อยากจะพูดเมื่อไม่ได้พูดมันก็อยากจะพูดอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองจะอยากต้องการจะพูดก็ได้เห็นความคิดนึกตึกตองคงแต่งเป็นสภาพอย่างไรมีอารมณ์ เป็นอย่างไรความดิดโรนทยานอยากที่อยากจะพูดเป็นอย่างไรจิตใจเล่าร้อนกสอ็สื่อสาสลดที่อยากจะพูดเป็นอย่างไรเมื่อไม่ได้พูดไม่ได้ตำหนิไม่ได้อิจาริษยาไม่ได้ยินทาว่าร้ายคนอื่นจิตใจเป็นอย่างไรที่อยากจะพูดในขณะนั้นแล้วไม่ได้พูดเพราะว่าถ้าท่านได้สนองปัญหาไปตามใจอยากทุกอย่างอยากดูได้ดูอยากฟังได้ฟังอยากกินได้กิน อยากซื้อได้ซื้ออยากสัมผัสได้สัมผัสอยากดมได้ดมอยากพูดได้พูดเมื่อท่านได้สนองตัณหาการใจอยากท่านจะไม่เห็นเลยไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสตัณหาที่ดิ้นรนเล่าร้อนกระเสือกกระสนภายในจิตใจของท่านเลยเพราะท่านอยากจะมีอารมณ์ท่านก็มีอารมณ์อยากจะพูดอย่างไรอยากแสดงอาการออกอย่างไรอยากจะดิ้นรนไปตามอาการประชดประชันเสียดสีกระแทกแด ก, กดันท่านก็พูดพประชดประชันก็ เสียดสีกระแทกแกดกันไปตามที่ท่านต้องการจะพูดแต่จากที่ผมสังเกต ด, ดูจากการบอกกรณีอย่างนี้เมื่อไม่ได้พูดกับไม่ได้เห็นความคิดไม่ได้เห็นอารมณ์ไม่ได้เห็นจิตใจที่ดิ้นร้อนเล่าร้อนกระเสือกกระสนที่ต้องการที่อยากจะพูดอยากจะทําไปตามใจอยากแต่เห็นอย่างเดียวคือการถูกห้ามไม่ให้พูด เห็นอยู่อย่างเดียวคือการถูกห้ามไม่ให้พูดแต่ไม่เห็นความคิดที่เมื่อไม่ได้พูดแล้วมันคิดอย่างไรเขาไม่ได้พูดก็อยากจะพูดไม่ได้พูดแล้วมันคิดอย่างไรมีอารมอย่างไรมีความที่ลนกระเสือกกระสนอย่างไรไม่เห็นแต่เห็นว่าเห็นแต่เพียงว่าไม่ได้พูดหรือถูกสั่งห้ามไม่ได้พูดไม่ให้พูดก็ไม่เห็นความคิดอีกแล้วก็สะกดจิตเฮนนิ่งเฉยไว้อึดอึด อึดจิวภายในเท่าที่ผมสังเกต ด, ดูแต่ไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นจิตที่ดิ้นล้นทยานอยากที่เป็นกิเลสตัญหาภายในใจตนแล้วก็มีความอดทนอดกั้นข่มใจระงับจับจังจังใจจนความคิด นึกตื่ต่อปุงแต่งอารมณ์ต่างๆกิเลสตัณหาความดิดนรนทยานอยากความเล่าร้อนที่ลนกระเสือกกระสนภายในจิตใจค่อยๆหมดอิทธิพลต่อใจและค่อยๆมอดไปมอดไปดับสลายหายไปต่อหน้าตตาในที่สุดทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกกิเลสตัณหาค่อยๆดับหายไปต้องฝึกฝนอย่างนี้จริงๆด้วยความอดทนกับการข่มใจไอ้ที่ไม่ให้กิน เวลาไปปฏิบัติธรรมกันก็กินกันมากดูใจตนเองที่มันอยากจะกินแล้วมันไม่ได้กินจะซื้อมเป็นอย่างไรความหิวไม่ตายพอครูบาอาจารย์ท่านอดอาหารสามเดือนอดอาหารสี่เดือนไม่ตายแค่ไม่ได้กินสักเล็กน้อยไม่ตายดูใจตนเองว่า ดูซิว่าเข้าอาหารม า, มากลางให้ต่อหน้าต่ อ, ต, อตามีแต่กินหอมอร่อยไม่หมดน่ะน่ากินน่าน่าสนใจแล้วดูซิว่าเมื่อไม่ได้กินมันคิดอย่างไรกับอาหารเหล่านั้นมันมีอารมณ์อะไรมีความอยากเป็นยังไงความอยากมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรความคิดและอารมณ์ที่มันคิดเรื่องราวต่ออาหารเหล่านั้นคิดปรุงแต่งยืดยาวต่ออาหารเหล่านั้นความอยากกินอยากที่จะกินมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอาหารอยู่ต่อหน้า แต่ก็ไม่กินมีความอดทนอดการข่มใจระงับยับยั้งชังใจจนความคิดที่คิดอยากจะกินความนิรนทยานอยากเล่าร้อนไปในใจดับสลายหายไปตอนหน้าตตาในที่สุดจิตใจก็กลับพื้นสู่ความสงบล่มเย็นก็ปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ทุกครั้งไปแต่ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติไม่ขัดใจตนเองเลยไม่ขัดใจตนเองอยากกินก็กินอยากพูดก็พูดอยากตำหนิติเตียนอิจฉาสียานินทาว่าลายอยากแสดงออกอยากแสดงอารมณ์ออกอยากพูดเสียสีตำหนิติเตียนอย่างไรก็พูดอยากมองก็มองอยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากสัมผัสก็สัมผัสอยากดมก็ดม คือได้สนองตัญหาไปตามใจอยากทุกประการตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากแอบคิดนึกตึกกองพงแต่งอยากมีอารมณ์อะไรภายในใจก็ปล่อยให้แอบคิดนึกตึกกองพงแต่งแอบมีอารมณ์ไปโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่หักห้ามใจปล่อยให้เป็นไปตามใจอยากตลอดเวลาอยากดูได้ดูอยากฟังได้ฟังอยากดมได้ดมอยากกินได้กินอยากสัมผัสเสียสีได้สัมผัสเสียสี อยากพูดได้พูดอยากคิดได้คิดอยากมีอารมณ์ได้มีอารมณ์อยากแสดงออกอยากประชดประชันอยากแสดงอาการทุกอย่าง ท, ทําไปตามใจอยากหมดทุกอย่างถ้าอย่างนี้ท่านจะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นทิเลตตันหาภายในใจตนเลยเพราะทุกอย่างได้สนองตันหาตามใจอยากไปหมดทุกอย่างวันนี้อยากจะไปห้างสตรีทค้าอยากจะซื้ออะไรก็ไปไปเสร็จแล้วเห็นอะไรอยากจะซื้อก็ซื้อทันที โดยท่านไม่ได้คิดเลย ว, ว่าท่านซื้อส่วนที่เกินหรือซื้อส่วนที่มันขาดจริงๆแล้วท่านอยากจะซื้อท่านก็นซื้อเลยเมื่อท่านซื้อทันทีคว้าเงินซื้อทันทีท่านก็เลยสนองตัณหาตามใจอยากท่านก็จะเห็นความคิดไม่นอารมณ์ม่เห็นกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความอยากเล่าล้อนที่หล่นทยานอยากภายในใจเมื่อท่านเห็นของที่สวยงามของที่อยากจะได้แก่ก็ซื้อท่านล้องไม่ซื้อ ท่านลองไม่ซื้อท่านเดินไปกี่ชั้นกี่ชั้นท่านก็จะคิดถึงของที่ท่านอยากจะซื้อแล้วท่านก็อย่าซื้อท่านกลับมาถึงบ้านก็กลับมาถึงบ้านท่านก็ยังจะคิดถึงของที่ท่านอยากจะซื้อถ่าก็อย่าซื้อไม่ใช่ว่าท่านไม่ซื้อท่านเห็นได้แต่เพียงความขัดใจไม่ได้อย่างใจอึดอึดอึดอึดปมเบียดแต่ละคนที่ขัดใจแต่ไม่เห็นความคิดไม่ติดตอปรุงแต่ง ไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นจิตเหลวตันหาที่ดิดน้นรนเล่าร้อนทะยานอยากภายในใจิตใจเป็นอย่างไรแต่ต่อสู้กดข่มอึดอึอึดไว้ภายในไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เความดิ้นรนทยานอยากภายในใจแล้วก็โทนอดทนอดกัน้นข่มใจระงับระดมยังแข็งใจจนความคิดอารมณ์ความดิ้นรนทยานอยากภายในใจิตใจดับสลายมอดหายไปต่อหน้าต่อตานี่ถึงจะเรียกว่า เป็นผู้ที่ชนะขาดในกิเลสตัณหาในความคิดและในอารมณ์ของตัวเองอย่างแท้จริงสมเป็นผู้ปฏิบัติเป็นจิตตถาคตจริงจริงการปฏิบัติต้องขัดใจตนเองในทุกเรื่องราวอย่าทำตามใจอยากอย่าพูดตามใจอยากอย่าแบกระทำใจอยาก จะแอ บ, บคิดแอบบมีอารมณ์ตามใจอยากอยากจะคิดอยากจะมีอารมณ์อะไรแอบบซ่อนเล่นอยู่ใน ใ, นใจก็ปล่อยให้คิดไปปล่อยให้มีอารมณ์ไปโดยไม่มีการยับยั้งจังใจอย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลยในการปฏิบัติเสียเวล า, ปาเปล่าไปนานหลายปีมากวิธีการปฏิบัติและลัที่สุดต้องขัดใจตนเองทําไมพุทธเจ้าจึงมันหยัดศีลเป็นข้ห้ามไว้ เพราะข้อห้ามของศีลนี่แน่เป็นตัวสกัดกั้นทำไม่ต้องขัดใจตนเองอยากจะฆ่าสัตว์ชีวิตอยากจะทำานี้ติดเตียนวิาพากวิจาริชาลิษยาเขาอยากจะแอบบมีชู้ทางใจก็ทำไม่ได้เพราะมีศีลเป็นตัวสกัดกั้นไว้ แอ บ, บคิดแอบบนึกแอบบติดแอบบตองแบบอบปุงแต่งแอบบมีอารมณ์ในใจอย่างไรต่อใครแอบบนอกใจสามีภรรยาแอบบมีชู้ทางใจกับใครก็ทําไม่ได้หากไม่มีศีลสกัดกั้นไว้อย่าจะคิดอะไรก็คิดอย่จะมีอารมณ์อย่างไรก็มีอารมณ์ไปเรียกว่าสนองตัณหาตามใจอยากไปทุกอย่างท่านจะต้องหัห้ามใจระงับยับยั้งทางใจ ไม่กระทำไปตามใจอยากไม่พูดไปตามใจอยากไม่แอบคิดแอบเนียออารมณ์ไปตามใจอยากเมื่อมันแอบคิดแอบเนียออารมณ์ไปตามใจอยากเป็นความฟุ้งซ่านไม่สามารถสงบระงับได้ก็ตึงไว้กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ที่ยิบขึ้นเป็นเพินกลเอาหลักเป็นตัวตกัดกั้นไว้พุทธเจ้ากรัสว่าจิตนั้นเหมือนลิง ถ้าลิงนั้นไม่มีหลักผูกไว้มันก็เพนผ่านไปทั่วไปตามนิสัยเคยจินไปกอะไม่เกิดความจะหายทั้งตนเองและผู้อื่นต้องมีหลักเช่นกรรบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกเป็นตัวผูกไวผูกลิงนั้นไว้คือจิตใจของเรามีสติเป็นเชื่อผูกลิงไวกับหลักผูกจิตใจไว้กับหลัก มีสติคอยควบคุมจิตใจยอย่าให้มันอยากคิดอยากมีอารมณ์ก็คิดไปมีอารมณ์ไปตามที่ใจต้องการไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยให้คิดไปปรุงแต่งไปอยากมีอารมณ์ก็มีไปไม่มีสติเหมือนเชือกคอยกระตุกคอยเหนี่ยวล้างไว้ให้ลิงนั้นอยู่กับหลับคือกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธหรือลมหายใจเข้าออก ต้องฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาจัานทวรคงปานท่านว่าเมื่อก่อนนั้นท่านไปบินสบาทพอไปบินสบาทพอเอาอาหารที่ถูกใจมากใส่บาตรจิตมันก็จับจองอาหารนั้นทันทีเลยว่า โอ้โหวันนี้จะได้กินของที่ถูกใจเดี๋ยวกลับไปที่วัดจะได้ฉลองสักทีเพราะว่าวันนี้นานๆจะได้มีคนเอาของถูกใจมาใส่บาตรสักทีเดินบิณฑบาตไปแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องอาหารที่ใส่บาตรนั้นว่าเมื่อไหร่กลับถึงวัดจะกินได้ให้เรียบเลยฉันก็ดูใจตนเองไปเรื่อย มันก็เดินไปไกลเท่าไหร่คิดถึงแต่เรื่องอาหารที่อยู่ในบาสนี่ว่ากลับไปถึงวัดแต่กินให้เรียบเลยเนี่ยเพราะว่าถูกใจมากเสร็จแล้วมาถึงวัดท่านโยนให้หมากินหมดเลยโยนให้หมากินหมดเพี้ยงเลยแล้วก็นั่งดูใจตัวเองว่าโยนให้หมากินแล้วเป็นยังไงดูสิมันมีความคิดอะไรมีอารมณ์อย่างไร จิตมันดิดน้นรนเล่าร้อนอย่างไรเมื่อโยนให้หมากินแล้วมีความเสียดายอย่างไรดูใจตนเองจนความคิดอารมณ์และกิเลสความเล่าร้อนใจภายในใจความเสียดายต่างๆนั้นดับสลายหายไป ต, นต้นตานี่ความเด็ดขาดของใจท่านฝุกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ไปเดินป่ามาเหนียวตัวไปหมดมันร้อนอากาศร้อนเหนียวตัวไปหมดอยากอาบน้ํามีความเราร้อนใจจิตมันดิดน้นรนอยากจะไปอาบน้ํามันอยากไปอาบก็ไม่อาบมันอยากไปอาบก็ไม่อาบดูที่ว่ามันคิดมันดิดน้นรนมันต่อสู้กันอยู่ภายในใจมันมีความดิดน้นรนทยานอยากอยากจะไปอาบน้ําท่านก็ไม่ไปอาบไม่ไปอาบอ ย, อย่างนั้นแหละ จนกระทั่งความคิดอารมณ์ต่างๆความอยากความเล่าร้อนใจที่หลนทยานอยากที่จะไปอาบน้ําดับสลายหายไปต่อหน้าต่านี่แนะท่านจึงไปอาบน้ําได้ทํามันยังไม่หายไปกี่วันกี่คืนก็ยังไม่อาบอยู่นนแน่แนะจนกว่าความคิดและอารมณ์ทั้งหลายจะหมดอิทธิพลไปต่อใจการที่เราให้เรา ทั้งหลายนั้นขัดใจตนเองฝึกหัดขัดใจตนเองนั้นในทุกเรื่องราวนั้นก็ เ, เพื่อหเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นจิตที่ดิ้นทยานหยากอดทนอดการข่มใจแลระงับยับยั้งจังใจจนความคิดอารมณ์ต่างๆจิตที่ดิ้นรนทยานอยากนั้นจะเป็นกิเลสตนานั้นดับกระลายหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวจืดนมาปีกว่าแล้วถามว่าได้เห็นอะไรไหม ในจิตใจตนเองก็ไม่เห็นนะเห็นอยู่อย่างเดียวคือได้กินกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่เติมรสแต่ไม่ได้เห็นว่าเวลามันไม่เติมรสมันกินถูกลิ้นเนี่ยจิตมันคิดอย่างไงมีอารมณ์อย่างไรมันดิ้นรนอยากยิเติมเครื่องอย่างไรไม่ได้เห็นจิตเพระถุกประสงค์ที่การหักห้ามใจทุกอย่างเพื่อให้จิตเห็นจิตทุกขณะจิตแต่มันเห็นได้อย่างเดียวคือเห็นว่าไม่ได้เติมรส ไม่ได้พูดไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ซื้อถูกขัดใจไม่พอใจแค่นั้นเองเพราะถูกขัดใจเสร็จแล้วก็พอรับหลังก็ไปประชดสองสามเท่าเพราะถูกขัดใจมารานก็อยู่ต่อหน้าต า, ตาบอกว่าอมน้ำไว้ชอบพูดดีนะ้กอยากพูดพูดเลยอยากพูดพูดเลยพูดตั้งคืนทั้งวัน ไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์เลยปฏิบัติทำมาหลายปีอมน้ําไว้ออ น, น้มนต์วิเศษไปองค์ไว้จะได้ไม่ต้องพูดขอให้องมนต์นวิเศษไว้ใครไปใครมาชี้มือชี้โป้ชี้ใ้หมดนี่ก็อีกตรงนี้ว่านี่ตรงนี้ว่าไม่นั่งใกล้ๆอาจารย์นี่ชี้ไปชี้ไปชี้มาอยู่เรือยตลอดเวลาคนแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรวันนี้ไม่พูดต่อ ทำท่าเอามือปิดปากแล้วชี้มาที่อาจารย์ว่าไม่พูดเพราะอาจารย์ไม่ให้พูดก็เห็นแต่เพียงว่า farm, นี่นะไม่พูดเพราะอาจารย์ไม่ให้พูดนี่นี่นี่อาจารย์ไม่ให้พูดแต่ที่ไม่ให้พูดก็เพราะว่าต้องการให้เห็นว่าเวลาไม่พูดอย่างที่ใจต้องการเนี่ยไม่ได้พูดอย่างที่ใจต้องการแล้วมันเป็นยังไงมันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีความทิดโลภทยานอยากอย่างไรเพื่อเห็นกิเลสตัณหาภายในใจตนที่ไม่ได้พูด ที่เจ็พูดแล้วไม่ได้พูดเป็นอย่างไรคนท้ายไปว่นน้าทิ้งดีกว่าเพราะไม่เห็นเลยทั้งคืนไม่เห็นไม่รู้เลยว่าจิตเป็นแล้วเห็นจิตมั้ยจิตไหมเนี่ยไม่เห็นเห็นอย่างเดียวคืออาจารย์ห้ามไม่ให้พูดเห็นอย่างเดียวอาจารย์ห้ามไม่ให้พูดมีภาคคณะหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกันพรรษาหนึ่งก็ไปตั้งจิตนิสานว่าพรรษานี้เราจะไม่พูดกันทั้งพรรษาแล้วก็กลับ ไปพอออกัาษาแล้วก็กลับไปกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกราบเรียนครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ก็ถามว่าเป็นไงบ้างไาปฏิบัติธรรมกันบอกว่าดีมากเลยตั้งสัจจะไว้แล้วทําได้ตามสัจจะคือตั้งสัจจะว่าจะไม่พูดแล้วก็ไม่พูดกันทั้งราษาแต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้วาละจิตอยู่แล้วนี่ไม่พูดกันทั้งภรษานั่นมันคิดกันทั้งราษาไม่เห็น <plant>? <illustrate> เห็นความคิดแต่ไม่พูดกันทางภาษาแต่แค่คิดทางภาษานั่นแหละไม่เห็นไม่เห็นจิตที่เขาไม่ให้พูดก็เพื่อเห็นจิตเห็นจิตคือคิดอะไรมันมันมีอารมณ์อย่างไรมีอาการอย่างไรภายในจิตใจเพื่อให้ดูจิตใจของตนเองแต่นี่เห็นอย่างเดียวคือไม่ได้พูดกันทรงภาษาโอ้โหดีใจมากเลยไม่ได้พูดกันแต่ไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยท่านจึงกล่าวว่าไม่พูดกันทรงภาษาโอ้โดีมากเลม่ไดกันจะไรเไม่ได้ปรโทษท่านจึงก่าวาไม่พูดกันทางภาษา้โหดีใจมากม่ก นี่มันคิดไม่หยุดไม่เห็นขาต้องฝึกหัดตัดใจตนเองเพื่อจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ให้ฝึกเห็นอย่างเนี้ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายให้เห็นจิตเห็นจิตเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นจิตที่ดิลอนทะยานอยากอย่างนี้เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างต่อให้เห็นไปตลอดเวลา ในกรณีของเวทนาผู้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่เวทนาเห็นแต่อาการของเวทนาความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกสบายความรู้สึกว่างความรู้สึกเบาหรือความรู้สึกอึดอัดทื่อไม่โปกงไม่โล่งไม่บาสบายความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีอาการอย่างนมีอาการอย่างนี้เห็นแต่เวทนาแต่ไม่ได้ เห็นจิตเห็นจิตที่มีต่อเวทนานั้นตรงนี้สําคัญมากในเรื่องของหมวดเวทนาต้องเห็นจิตว่าจิตเนี้มีความคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งพอใจไม่พอใจที่ลนผักใสเวทนานั้นอย่างไรไม่ใช่ว่าเห็นแต่อาการเวทนาอาการทางกายอาการทางใจทั้งนั้นแล้วไม่เห็นจิตที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งที่หล่นผักใสพอใจไม่พอใจ อาการเวทนานั้นอยากให้เวทานานั้นที่เป็นทุกขเวทนาหายไปหรือถ้าเป็นสุขเวทานาเป็นจิตที่ว่างเปงลป่าก็อยากให้ตั้อง อ, อ, อ ย, ยู่อยากให้เป็นอ ย, อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่อยากให้หายไปเห็นจิตที่พยายามดิ้นรนที่จะประคับประคองเอาสุขเวทนาเอาอุเบกขาเวทนาให้เหลือไว้ให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเห็นจิตที่คิดนึกตึกตองปรงแต่งเป็นความดิ้นรนทะยานอยากยากผักไสดิ ика, ้นรนผักไสทุกขเวทนา อาการต่างๆให้มันหายไปอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ปฏิบัติท่องไปผมสังเกตดูเห็นแต่เวทนาเห็นแต่อาการแล้วทนอาการไม่ได้เหตุที่ทนอาการไม่ได้เพราะไปทนแต่อาการแต่ไม่เห็นจิตที่คิดนึกตึกตองปงแต่งอย่างไรต่ออาการนั้นมีความพึงพอใจอยากให สุขเวทนาเบขาเวทนาเหลือไว้หรือว่าพยายามที่ลนฝักใสทุกขเวทนานั้นให้หายไปไม่ใช่ไปต่อสู้กับเวทนาแต่ต้องการให้จิตเห็นจิตที่มีต่อเวทนานั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะเวทนามันแค่หมวดที่สองคือเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสส่วนกายนั้นก็เป็นเพียงแค่หมวดที่หนึ่งคือกายานุปัฏนาสติปัฏฐาน จิตเห็นจิตหรือสติรู้อยู่ที่ใจจิตหรือใจที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นหมวดที่สเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนจิตเห็นจิตจิตผู้มารู้หรือสติที่มารู้อยู่ที่ใจนั้นผู้ที่มารู้นั้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดที่สของสติปัฏฐานสี ดังนันทนปฏิบัติไม่ได้ติอยู่แค่หมดกายานุปฏนัฏฐานเวทนานุปัฏนานสติปัฏฐานเนินแต่อาการทางกายอาการทางใจแต่ท่านไม่เข้าไปถึงจิตเห็นจิตสักีคือเวลามีเวทนามีอาการทางกายมีอาการทางใจอย่างไรแล้วท่านมีความคิดนึกตึกตองปรงแต่งต่ออาการเหล่านั้นอย่างไรมีความดิ้นรนผลักใส่หรือชอบอยากพึงพอใจยอยากเอาไว้หรือดิ้นรนผลักใสให้หายไปเห็นจิตที่มีความคิดนึกตึกต่องปรุงแต่งดิ้นรนผลักใสหรืออยาก ที่จะเอาไว้ให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจิตที่ถูกเห็นอยู่ในหมวดของจิตตามุปตสนาสติปิปฐานส่วนจิตที่มาเห็นจิตนั้นจิตเห็นจิตส่วนจิตที่ไม่เห็นจิตนั้นเรียกว่าธรรมานุปตะนาสติปิปฐานจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นธรรมเราปฏิบัติกันมาทั้งหมดก็เพื่อถึงจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือธรรมเมื่อไหรพบจิตผู้รู้ก็พบธรรม ไม่ติดอะไรเลยมันต้องผ่านตลอดผ่านกายผ่านเวทนาผ่านจิตทั้งหมดจึงจะเข้าถู่ธรรมจึงจะบรรลุธรรมได้ท่านต้องฝึกให้เห็นจิตเห็นจิตเห็นความคิดเห็นอารมณ์ฝึกอดขับใจตนเองจะสังเกตเห็นจิตเห็นจิตเลือนเข้าไปเลือกเข้าไปเลือกเข้าไ ป, าไปท่านก็จะเห็นได้ทุกประการเห็นอาการวหวั่นไหวอาการกระเพื่อม หรือสรุปแล้วคือสิ่งใดก็ตามที่ท่านจับความรู้สึกได้รับรู้ได้มีการกระเพื่อมมีความไหวตัวมีปฏิกยาเกินดับได้มีการเปลี่ยนแปลงได้รับรู้ได้ทังใจทั้งหมดรับรู้ได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นโลกส่วนสิ่งใดที่ทําหน้าที่รู้เขาอย่างเดียวไม่อาจจะรู้ตัวมันเองได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่สิ่งนั้นเป็นธรรมไม่กิดโลกก็ถึงธรรม รู้ศักแต่ว่ารู้อย่างเดียวจิตนั้นไม่ว่าจะไหวตัวก็เพิ่มตัวมีปฏิกิยาอย่างไรรวมทั้งความตั้งใจความจงใจรวมทั้งเจตนาที่ปรากฏขึ้นรวมความความตั้งจิตขึ้นในลักษณะใดๆก็ตามรวมทั้งการปฏิบัติจิตภายในที่มีปฏิกิยาขึ้นที่ตั้งขึ้นแสดงปฏิกิยาขึ้นแสดงพฤติกรรมขึ้นมาภายในใจไม่ว่าจะมีปริยา จะเล็กน้อยปานใดก็ตามจนถึงปรมาโูของจิตนั้นล้วนแต่เป็นจิตที่ถูกรู้ทั้งหมดอยู่ในหมวดจิตตาทุกศสนาสติปัฏฐานส่วนจิตผู้มารู้จิตนั้นจะไม่ปรากฏอาการใดๆเลยให้รับรู้ได้ต่้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ทําหน้าที่รู้เขาอย่างเดียวอันนั้นแน่คือผู้รู้จิตผู้จิตผู้รู้นั่นแหนะคือทำเรียกว่าทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้สิ่งใดไม่ติดสิ่งนั้นก็เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามแม้แต่เปลิพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังภายนอกพลังภายในพลังจิตหรือพลังลมปานที่อักท่าน อัดท่านที่อัดตัวท่านอัดกายอัดจิตท่านก็เข้าไปแรกถึงแค่สูงสุดก็คือเข้าไปเชื่อมต่อได้แค่ปรมนณูของจิตหรือจิตที่ปรากฏอาการหรือพฤติแห่งจิตเท่านั้นหรือท่านกล่าวว่ากําใดๆทั้งมวลไม่ว่ายิ่งใหญ่ปานใดจนถึงเล็กที่สุดนั้นติดได้สูงที่สุดคือปรมมณูของจิตเท่านั้นไม่สามารถเข้าถึง จิตเดิมแท้ซึ่งเป็นผู้รู้หรือจิตว่างได้เพราะผู้รู้มีสภาวะเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่ถ้าจะเปรียบเทียบป ร, รมณู ข, ของจิตหรือจิตที่แสดงอาการแสดงการไหวตัวกระเพื่มตัวอย่างใดแม้แต่เพียงละองอองทุลีที่เป็นฝุ่นผงในจักรวาลที่ลอยอยู่ในจักรวาล สิ่งเหล่านั้นยังถูกกระทบได้ยังถูกยิงให้แตกทํำลายได้เหมือนกับกรรมยังติดอยู่ในฝุ่นของละอองธุรีที่ลอยอยู่ในจักรวาลได้แต่กรรมใดๆทั้งมวลหรือสิ่งใดๆทั้งมวลไม่สามารถติดอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลได้เพราะไม่มีอะไรไปแขว น, ไ ป, น, ไ, ปนไปเกาะไปเกี่ยวไปทําลายจักรวาลได้เลยกรรมนั้นยิ่งใหญ่ปานใดก็ติดแค่ปรมัมณูของจิตที่แสดงปฏิกิยาให้รับรู้ได้อาการ มีความรู้สึกได้กเพื่อมได้ไหวตัวได้มีการสั่นไหวได้รวมทั้งความตั้งใจความจงใจความหรือเจตนาที่ตั้งขึ้นมาแต่แต่ละขณะจิตหรือจิตตั้งขึ้นมาแต่ละขณะจิตนั้นก็ยังเป็นความเคลื่อนไหวความมีอยู่ให้ปรากฏได้ให้รู้สึกได้ถ้าติดอยู่ในจิตที่ตั้งขึ้นมีปฏิยาขึ้นมีปรากฏการขึ้นมีความตรงจงใจยังมีความจงใจมีเจตนา อย่างไรยังติดอยู่ในสิ่งนั้นท่านก็ติดอยู่ในกรรมหรือกรรมก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นถ้าท่านยังติดอยู่ในสิ่งนั้นกรรมนั้นก็ติดมาถึงท่านได้ก็ยังพาท่านส่งผลในท่านไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อๆไปไปรับใช้รับใช้กรรมต่อๆไปแต่ถ้าท่านไม่ติดอยู่ในสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามละเอียดปานใดก็เพิ่ม อ, อย่างใดมีอาการอย่างใดไว้ตัวอย่างไรไม่ติดสิงใดเลยแคเพียงตุลีเดียวก็เข้าถึงความว่างเข้าถึงจักรวาลเดิมหรือเข้าถึงพระดิพานกรรมทั้งหลายก็ไม่อาจตามเข้าไปสู่ความว่างนั้นได้ติดได้แค่ปรมมณูของจิตเท่านั้นส่งผลให้ท่านไปเกิดใหม่ไม่ได้ต่อไปเมื่อท่านตายลง ทุกอย่างก็กลับคื้นสู่าธาตุี่นบอยสุดธิ์กิดน้ําลมไฟอากาศาธาตุก็กลับพื้นสู่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและุไฟอากาศาธาตุจนจิตเดิมแพ้ซึ่งเป็นผู้รู้นั้นก็กลับคื้นสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลไม่มีอะไรติจมันได้ต่อไปไม่มีกรรมที่ตามไปติดได้อีกไม่มีสิ่งใดที่ตามพบได้ไม่จิงไม่มีสิ่งใดพาเข้าไปรับโทษทานได้อีกต่อไปทุกอย่างก็เป็นโมฆะไปหมดสิน้น คำสอนของพุทธเจ้าเป็นที่สุดและสุดยอดมากมีทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวของมันเองลงปฏิบัติเข้าไปถึงผู้รู้ซึ่งเป็นจิตว่างไม่เกาะไม่เกี่ยวจริงใดเล ย, เลยกรรมใดๆทั้งหลายความทุกข์ใดๆทั้งหลายก็เข้าไม่ถึงผู้รู้ซึ่งเป็นจิตว่างกิเลสตัหาทั้งหลายติดได้แค่ปรามาโนของจิต เข้าไปถึงจิตว่างไม่ได้เมื่อกทารเข้าถึงผู้จิตผู้รู้ทุกเดิมแท้กิเล็สตัณหาทั้งหลายความทุกข์ใดๆทั้งหลายกรรมใดๆทั้งมวลก็ตามเขไปถึงจิตเดิมแท้ไม่ได้จะติดได้อย่างเก่งก็ถึงแก่ปรมาูนของจิตเท่านั้นดังนั้นท่านจะต้องไม่ติดอาการใดๆเลยภายในกายและภายในใจทุกอาการไม่ว่าจะมีปฏิกิริยาเล็กน้อยปานใดแสดงพฤติกรรมใดๆภายในใจขึ้นมาแม้แต่เพียงเล็กน้อยเป็นทุลิ ก็ท่านก็ต้องไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะไม่งั้นกิเลสตัณหาหรือกรรมทั้งหลายที่ติดอยู่ในทุลีนั้นก็จะเข้าถึงท่านต่อเชื่อมโยงมาถึงท่านได้มีผลทําให้ท่านต้องไปเกิดอีกเกิดทุกข์เกิดการเวียนว่ครเกิดอีกต่อไปกิเลสตัณหาและทุกข์ทั้งหลายตามเป็นสู่จิตเดิมแท้ที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลนั้นไม่ได้เลยเพราะในความว่างไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปถึงเขาได้ไม่มีสิ่งใดไปเกาะเกี่ยวเขาได้